เป็นอยู่ไหมอ๋อนอนรับผลเหรออจ้า <c oughs> พี่เยี่ยมใช่ไหมจ้าอ๋อใหญ่ไม่ใช่เยี่ยมหรอกอ้าวพี่ใหญ่หรอกเหรออ <c oughs> ตัวใหญ่สมชื่อจริงๆเลย <c oughs> แต่ว่าอีกหน่อยก็คงจะผอมเหลือแต่กระดูกแล้วทาไมล่ะก็อีกดูสิไรานาทํานาดได้ที่ไหนหล่ะดินก็แตกละหาขนาดนั้นน้ำในคลองก็แห้งขอดทั้งหมดแล้วเนี่ยน้ําดื่มยังแทบจะหาไม่ได้เลย บ่อน้ำก็แหกงลงทุกวันทุกวันอีกดอยคงอดตากันหมดหรอไม่แล้วล่ะอะทําไมเหรอมีข่าวอะไรเหรอหรือว่าพายุมันจะเข้าอ่ะเปล่าหรอกจ้าแล้ ว, ลวไงอ่ะคือฝนจะมาบอกผู้พี่ๆว่าวันจันรเนี้ยทางรัฐบาลเนี่ยจะเอาข้าวสารอาหารแห้งมาแจกที่หน้าหอประชุมเนอาเภอเนะ่ยจริงหรือฝนจริงค่ะให้ไปทุกคนเลยนะคะเขาจะแจกเป็นรายหัวไม่ได้รายครอบครัว เพราะฉะนั้นไปกันหมดเลยนะอ๋ออ๋อสําหรับลุงยอดเนี่ยไม่ต้องพาไปหรอกเพราะว่าลุงยอดเนี่ยก็มองไม่ค่อยเห็นเดินเหินก็นลําบากหกพี่น้องเนี่ยคงก็จะได้มามากโข อ, อยู่เหมือนกันประทังชีวิตไปได้ระยะหนึ่งก่อนที่ทางการจะมาจัดการเรื่องฝนแรงไดะะ้ได้ไ ด, ได้ได้เลยจะรีบไปแต่เช้ามืดเลยนะเห็นไนะเราเราเราจะมีข้าวกินแล้ว <laughs> <laughs> พี่ฝนและนะั่นอ่ะจ้า ขึ้นมาบนนี้ก่อนสิพอได้ยินเสียงพี่อยากคุยได้หน่อยนะได้สิจ๊ะจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้ละจ้ะ สวัสดีค่ะลุงยอดอฝนเล่นลูกจ้าลุงสบายดีหรือเปล่าล่ะสบายดีจ้าเออลุงล่ะคะเป็นยังไงบ้างสายตานะจ้าก็เห็นลางๆนะอือย่างมองเองอยู่เนี่ยไม่รู้เราว่าเป็นใครรู้แต่ว่าเป็นเงาของคนไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายไปหาหมอดีไหมจ้าลูฝนพาลุงไปเองก็ได้นะจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายหรอกฝนจะช่วยลุงได้ขอบใจเองมากเลยฝนเอ้อย แต่ไม่ต้องหรอกข้านะ่อายุปูนนี้แล้วอยู่อีกนานแค่ไหนกันเชียวเนี่ยข้าก็ขอชีวิตจากพระเจ้านะเพื่อรอลูกชายกลับมาหาเท่านั้นแหละได้เห็นไอ้หญิงครั้งเดียวข้าก็พอใจสุดๆแล้วล่ะหลังจากนั้นข้าจะเป็นจะตายไงข้าก็ไม่กลัวอีกแล้วลุมยอดทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะจ๊ะจริงๆนะนาฝนนะ หาขอแค่ได้เจอหนายยิงอีกครั้งเดียวเท่านั้นเองจากนั้นพระเจ้าจะมาเอาชีวิตของขาขาก็ยินดีไปแล้วนะโอ้ลุงอย่าพูดอย่างนี้อีกนะจ๊ะถ้าพี่ยิงมาได้ยินเข้าแล้วก็ก็จะเสียใจมากเลยฝนได้ยินลุงพูดเนี่ยฝนยังรู้สึกเสียใจเลยอไม่เอาไม่เอาแล้ว อ, อย่าร้องไห้ไปไม่มีอะไรต้องเสียใจหรอกลำฝนเลย มันมีแต่จะดีใจมากกว่านะลูกนะเออแล้วนิ่น้ำฝนจบปริญญาหรือยงังล่ะจบแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็ได้งานแล้วด้วยที่ศูนย์วิจัยกเกษตรย่อยแต่ว่าทางโรงเรียนที่ฝนเรียนตอนเด็กๆ เ, เนี่ยเข้ามาขอให้ฝนไปช่วยสอนหนังสือให้ด้วยฝนมาคิดๆ ด, ดูแล้วฝนก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นครูสอนนักเรียนดีกว่าเพราะว่าฝนมีวันนี้ได้ก็เพราะคุณครูเป็นผู้ประสาทวิชาให้ฝน ฝนก็เลยอยากตอบแทนโรงเรียนแล้วก็เป็นตัวแทนของพระเจ้าเพื่อประสานวิชาให้กับเด็กๆนะคะอืมดีมากเลยน้ำฝนจิตใจของเองขังประเสริฐซะเหละเกินน่าเสียดายเหลือเกินนะเอเสียดายอะไรพ่อนั่นสิจ๊ะเสียดายอะไรจ้าลุงคนน่าเสียดายที่ไอ้ยิ่งมันไม่มีวาสนาได้คบกับเองนะสิน้าฝนถ้าไอาย้ยิงมันไม่ได้หายตัวไปแล้วก็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 ช่วงเวลาในชีวิตเราต้องมีช่วงที่ดีแล้วร้ายอาจมีใครมากมายที่รวมสุดต่ว่าตอนที่เราทุกใจมองหันไปไม่เคยเจอใครมีเพียงสองเราเท่านี้แปลกดีจะชีวิตคน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 ว่าไรที่มีความหมายและสำคัญอย่าลืมคำว่ารักคำนั้นอย่าลืความรู้สึกนั้นคำสำคัญนั้นมีค่า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 ว่าอะไรจะมีความหมายและสมคัญ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อย่าลืมคำว่ารักคำนั้นอย่าลืมความรู้สึกนั้น บอกกันแล้กันทิน้งแคคืนแลวันที้เลยผ่านยัามอางคำบาสิ่มองคำบังอย่างกันคํว่ารักคนั้นเต็มความรู้สึกนั้นคนสงสาคัญและมีค่าอยส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 Sukhuk, hi nai, yu tong n k y c h ในมืดมนไม่เหลือใครจำไว้ว่ายง cói chăn, เพราะ และร้องไห้จะมีไหมใครอยู่เป็นเพื่อนเธอจู่ๆค่ำคืนก็ยังคงคิดถึงและหวังว่าเธอคอง เมื่อเธอปราจเจ็บสักีไหนเมื่อเธออ ครั้งเวลาที่ไม่มีใครได้จะนอนมองดูรูายกอดมอนใบเดิมที่เธอเคยนอนวันนั้นและฉันตั้งใจเก็บมันให้อยู่ดังเดิมอย่างทีไปจนตาย แม้ว่าบนเตียนจะไม่มีใครแต่กคำมือนเธอข้างกลก่อดฉันเบาๆเหมือนเคยเพียงได้กลิ่นหอมจะมอนใบเดิมที่เราแต่งเคร่วมฝันแค่ได้คิดถึงกันก็สุขใจ ความรักปิดของความรักเธอไม้จะจางหายไปไม่ว่าันเวลามันจะนาจะเท่าไก็มีเธอไม่รักใครปินของความรักปิน ข, ของความรักมันยังเติอยู่ในหัวใจวอมยิ่งกว่าน้ำหอคของใครกันไหน เาเพียงใดต้องทนนอนคนเดียวเรื่อยไปอนลนในใจเท่าไรเพียงดีกลิ่งหอจากมอนใบเดิมที่เธอเคยนอนใกล้ฉันแค่ได้คิดถึงก็กสุขใจตื่นึความรักตื่นึความรัก จะจางหายไปแม้ว่าวันเวลามันจะนานจะเท่าไก็มีเธอไม่รักใครกลิ่นอกนอความรักเป็นของความรักมันยังเติงอยู่ในหัวใจหอมยิงกว่าน้ำหอมของใครคนหนไม่มีใครแทนที่เธอแต่เมวันที่เธอ เธอจากฉันไปไม่มีคืนไหนที่ฉันไม่คิดถึงเธอยังรักยังเป็นห่วงเธอไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนในทุกลมหายใจจะยังมีเธอเสมอ ม, มันยังฝังอยู่ในหัวใจออมยึ่งกว่าน้ำ้อมของใครคนไไม่มีใครแทนที่เธอ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 เอ็งอย่าถือสาขาเลยนะ้าน้ำฝนนะไม่เลยค่ะฝนยังไม่เคยเคืองลุงยอดหรอกฝนดีใจนะคะที่ลุงยอดเอ็นดูฝนถ้าฝนมีบุญจริงๆฝนก็คงจะได้เจอกับพี่ยิ่งอีกครั้งหนึ่งจริงเหรอว่าน้ำฝนเอ็งคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอจริงสิจ๊ะเออข้าดีใจเหลือเกินที่เอ็งคิดอย่างนั้นนี่แสดงว่าที่ผ่านมานี่เอ็งไม่เคยคิดจะคบค้า สมาคมกับผู้ชายคนไหนเลยล่ะสิเปล่าเลยค่ะเอ็งอย่าบอกนะว่าเอ็งรอไอ้ยิ่งคนเดียวนะถ้าฝนบอกลุงว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะฟังดูขี้คุยไปหน่อยมั้งคะโ อ, โอ้ไม่เลยไม่เลยไม่ไม่ม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไมเอ็งพูดได้ดีมากๆข้าพอใจเอ็งมากๆากเออดีดีดีข้าเองก็รอไอย้ยิงอยู่เหมือนกันเอ็งก็รอมันเหมือนกันนะสักวันหนึ่งมันจะต้องกลับมา แล้วข้าก็จะให้มันแต่งงานกับเอ็งทันทีชัวแหละจริงเหรอจ๊ะลุงจริงสิขอบคุณนะจ๊ะที่อันดูฝนนะจ้เออแล้วนี่มาถึงที่นี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคืออย่างนี้นะจ๊ะลุงจันที่จะถึงเนี่ยทางคณะรัฐบาลเขาจัดคารวาลมาที่อำเภอของเราเพื่อมอบสิ่งของอย่างเช่นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคจะมาแจกเป็นรายบุคคลนะจ้ะ ใครไปก็ได้กันทั่วนหน้าละงานเนี้ยจริงนะจริงสิจ้าพี่ฝนรู้มาจากไหนอ่ะก็ที่ทํางานพี่นั่นแหละแต่พี่ไม่ได้ทํางานที่นั่นแล้วพี่มาเป็นครูสอนนักเรียนแล้วล่ะจ้ะพี่ว่าพี่เป็นครูเนี่ยน่าจะเหมาะ ก, กว่ารับราชการอื่นนะจ้ะผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยครับพี่ฝนเย็นก็อย่าลืมไปล่ะวันนั้นอะ่ะพี่ไม่เตือนแล้วนะครับขอบคุณครับที่อุตส่าห์มาบอกไม่เป็นไรจ้ะตั้งใจจะมาบอกอยู่แล้วครับ อ๋อถ้ายังไงก็ช่วยบอกต่อๆกันไปทั่วนากด้วยกันนะท่านามาครั้งนี้แล้วก็คงจะไม่ได้มาอีกแต่ว่าจะมาจัดการเรื่องฝนแล้งเลยเออเรื่องนี้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเขารู้เรื่องแล้วหรือยังละ่ะรู้แล้วละจ้ะแต่ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่บ้านกับกำนันเนี่ยจะกระจายข่าวไปได้ทั่วถึงหรือเปล่าสิถึงว่าสิอําเภอนี้ใหญ่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนาะฝนก็จะพยายามบอกต่อๆกันไปอ่ะนะครั้งนี้เขาแจกกันจริงๆแจกยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะออื เออเย็นเลยครับพ่อพรุ่งนี้เองก็ปั่นจักรยานไปบอกให้ดูถูกก็แล้วกันนะถือสว่าทําบุญก่อ็แล้วกันว่าเพราะหมู่บ้านเรานี่มันแห้งแล้งกันทวนนาทุกคนอดอยากปากแห้งเหมือนกันหมดยามนี้มีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันแล้วละ่ะครับพ่องั้นฝนกลับบ้านเลยนะจ้าลุงยอดเออเออไปดีมาดีนะนางฝนเลยจ้าลุงเออเย็นเองเดินไปส่งพี่เขาทีสิครับครับเอาไม่เป็นไรเราจะเย็นพี่เนะี่ยไปเองได้ เธออยู่เป็นเพื่อนลุงเธอแล้วเจอกันวันจันทร์ที่หน้าหอประชุมอำเภอละแน่นอนครับเราได้เจอกันแน่นอนครับขอบคุณพี่ฝนมากนะครับไม่เป็นไรไปนะจ๊ะสวัสดีครับพี่วัสดีจ้ะ เองเห็นหมว่าน้ำฝนมันน่ะรักไอ้ยิงพีของเองมากแค่ไหนเห็นแล้วครับเองคิดดูสินี่ขนาดไม่ได้เจอกันเป็นยี่สิบปีฮะยังรอไอ้ยิ่งได้เลยทั้งทั้งที่ไม่รู้โดยซ้ำไปว่ารอไปแล้วนี่ไอ้ยิ่งมันจะกลับมาจริงหรือเปล่าที่ทำได้เพราะความศรัทธาในพระเจ้าเท่านั้นนะมีความศรัทธาและเชื่อมั่นว่าคนที่เรารักจะต้องกลับมาตั้งจิตภาวนาทุกๆวัน แล้วสักวันหนึ่งคําภีนาของเราก็จะบังเกิดผลอย่างแน่นอนเอ็งเชื่อไหมไอ้เย็นเชื่อครับพ่อเอ็งเชื่อจริงๆเหรอจริงสิครับพ่ออืมดีมากแล้วเอ็งคอยดูก็แล้วกันวันนั้นมันจะต้องมาถึงวันที่ไอ้ยิ่งมันกลับมาเยือนอยู่ตรงหน้าของพ่อของปันวันที่มันแต่งชุดสากลไปสู่ขอน้ำฝนแต่งงาน ภาพราล่านั้นเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนครับพ่อวันนี้รู้สึกอิ่ม อ, อกอิ่มใจยังไงก็ไม่รู้ว่าเหมือนมีอะไรมาโดนใจให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นมันประหลาดจริงๆนะเนี่ยฮะ นึกยังไงถึงปเปลี่ยนใจไปเป็นครูสอนเด็กนักเรียนแทนเรื่เป็นครูสอนนักเรียนนะั่นน่ะฝนคิดมานานแล้วนะจ๊ะแล้วฝนเองก็เคยสัญญากับพี่ยิ่งสัญญากับพระเจ้าไว้แล้วได้ว่าถ้าฝนจบปริญญาตรีเมื่อไหร่ฝนจะกลับมาสอนหนังสือที่โรงเรียนของฝนนะจ๊ะพ่อแล้วตอนไปสมัครสอบเข้าทํางานราชการในสาขาที่เรียนมาทําไมไม่คิดล่ะคิดแล้วตอนนั้นก็สองจิตสองใจนะจ๊ะพ่อนี่แสดงว่า มีใครเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมนั่นไงนั่นไงข้านึกแล้วเชียวข้าน่ะรู้จักลูกสาวของข้าดีแหมมีความลับอะไรอะ่ะปิดบางพ่อไม่ได้เลยนะเนี่ยได้คุยกับเขาแล้วใช่ไหมเขาไหนอะ่ะก็เขาไหนล่ะไม่รู้สิไอ้ยิ่งไงทีนี้ยังเล่นลิ้นอีกไหมล่ะคนละเรื่องเลยนะพ่ออืเล่นลิ้นอะไรอะ่ะเอามาเปรียบกันได้ยังไงเลยจ๊ะทําไมจะไม่ได้ข้ให้มัน ได้มันก็ต้องได้สิพ่อนี่ดืออ้อรั้นเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนพ่อนะพ่อเจอเขาแล้วเขาว่าไงมังเขาก็รับปากฝนเองว่าจะเป็นคนเอาของมาแจากชาวบ้านในอำเภอของเราเองนี่ลูกบุกไปหาเขามาจริงๆแล้วนี่เจ้พ่อนางฝนนี่เองกล้าหาญชันชัยขนาดนั้นเลยเหรออ้าวแล้วจีฝนทํายังไงละจะพ่อชาวบ้านกําลังจะอดตายกันนะเออก็ดีถ้ามีคนกล้าอย่างเอง็งอยู่ในหมู่บ้านก็ดีเหมือนกัน ทำไมทำไมผู้ใหญ่บ้านเอ่ยกำนันเอ่ยถึงไม่เข้าไปขอความช่วยเหลือนะอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นทําไม่ได้หรอพ่อทําไมล่ะเองทําได้ทําไมกำนันผู้ใหญ่บ้านถึงทำอย่างเองไม่ได้ฮะเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านถือเป็นข้าราชการนะจ๊ะเฮ้ยอ้าว<อ>จริงเหรอทางานที่รัฐเป็นข้าราชการหรือเปล่าล่ะเอออย่างนั้นก็จะต้องรายงานเรื่องราวไปยังอําเภอแล้วให้อำเภอรายงานไปทางจังหวัดแล้วให้ทางจังหวัดจัดการอีกทีหนึง่ง ว่าจะดำเนินการยังไงโอ้ยกว่าอะไรจะเรียบร้อยชาวบ้านก็อดตายกันหม ด, ดสิเว้ยนั่นออแหละถึงรอไม่ได้เลยฝนถึงต้องบุกไปหาพี่ยิ่งเองไงพ่ออืมนี่ดีนะไปไหนยิ่งถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็เองจะกล้า บ, บุกไปแบบนั้นไหมก็ต้องคิดอีกทีนั่นแหละกลัวเหรอกลัวไม่กลัวหรอพ่อแต่ไปแล้วจะเกิดผลหรือเปล่าเนี่ยมันน่าคิดชาวบ้านตาดาๆอย่างฝนเนี่ยนะเขาไม่มีวันมองหรอกก็ถึงว่าสินังฝน แต่ว่าคราวนี้นะเจ้าพ่อถือว่าเป็นความโชคดีของหมู่บ้านเราแล้วเพราะคนในหมู่บ้านของเราเป็นรัฐมนตรีเสีเองเออใช่แล้วงานเนี้คงจะช่วยประทังชีวิตชาวบ้านไปได้อีกระยะหนึ่งนะเจ้าพ่อก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยธรรมาชาตินะ่ะเอาแน่นอนอะไรไม่ได้หรอกนี่เห็นไหมเกิดมาเคยเจอฝนแรงแบบนี้ไหมล่ะไม่มีปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็รุนแรงเหลือเกิน รู้ที่สุดก็โรคหารบหาดนี่แหละเตรียมป้องกันให้ดีๆเหอะทางกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเขาเตรียมรับมือไว้แล้วล่ะจ้ะพ่ออืมก็ดีมีหน่วยงานราชการรับผิดชอบอย่ดีๆชาวบ้านก็อุ่นใจมีความสุขกันทั่วหน้า <laughs>